ธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เป็นธรรมที่ไม่มีใครรู้มาก่อนเป็นธรรมที่ทําให้พระพุทธเจ้าได้เปลี่ยนจากการเป็นปุถุชนผู้ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏไปเป็นพระอาริยบุคคลเป็นผู้ที่ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดธรรมที่ทรงตัสรุโรนี้คือพระอริยสัจสีความจริงสี่ประการที่ผู้เป็นพระอริยเจ้าจะสามารถรู้ได้เท่านั้นปุถุชนนี้ยังไม่สามารถที่จะรู้ได้ ถ้ารู้ได้ก็จะกลายเป็นพระอริยเจ้าขึ้นมาเช่นเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิดาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอารหรันพระอริยบุคคลเหล่านี้เป็นอภะอริยะบุคคลขึ้นมาได้พราะได้สามารถรู้พระอริยสัจ ส, สี พระอริยสัจ ส, สีคือความจริงที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกแต่สัตว์โลกที่เป็นปุถุชนนี้ไม่สามารถมองเห็นได้เพราะถูกอำนาจของโมหะอวิชชาที่เป็นเหมือนกับผ้าบังตาทำให้ไม่สามารถเห็นพระอริยสัจ ส, สี่ ที่มีอยู่ในใจของตนเองได้ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะปลดผ้าบังตาออกไปจากตาในคือคือใจจึงจะสามารถเห็นพระอริยสัจสี่ที่มีอยู่ในใจของตนเองได้ ภาลิยสัจ ส, สีนี้ถ้ามีใครรู้แล้วเห็นแล้วเลานำมาบอกผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เห็นบอกวิธีที่จะดึงผ้าบังตาให้ออกจากใจคือดึงอวิชาโมหะให้ออกจากตาในคือตาใจ ใจก็จะสามารถเห็นพระอริยสัจ ส, สี่ที่มีอยู่ในใจได้พอเห็นแล้วก็จะสามารถกำจัดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยคือสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่เป็นเหตุที่ทำให้สัตว์โลกติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดได้ ทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปภาริยสัจสี่นี้ก็มีอยู่สี่ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งเรียกว่าทุกข์คือความทุกข์ใจข้อที่สองเรียกว่าสมุทยัยแปลว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจ ข้อที่สามนิโรธแปบลบว่าการดับของความทุกข์ใจและข้อที่สี่เรียกว่ามัคทางสู่การดับความทุกข์ใจหรือวิธีดับความทุกข์ใจถ้ามีความสามารถที่จะมองเห็นราอรลยสัตตี ทั้งสี่ประการนี้แล้วผู้ที่เห็นก็จะสามารถดับความทุกข์ใจได้เพราะได้พบกับเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจและได้พบวิธีที่จะดับความทุกข์ใจได้นั่นเองนี่คือความจริงสี่ประการที่ไม่มีใครรู้มาก่อนในโลกนี้ ต้องรอให้คนที่มีความสามารถพิเศษเช่นพระพุทธเจ้าหรือก่อนหน้านั้นก็เป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็คือผู้สแสวงหาความจริงอันนี้ผู้ที่สแสวงหาทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือเป็นผู้ที่สแสวงหา พระอริยสัจ ส, สีนี่พระพุทธเจ้าของพวกเราก็ส่งพยายามค้นหาในเบื้องต้นก็ส่งศึกษาจากครูบาอาจารย์ต่างๆก็ได้ส่งพบพระอริยสัจ ส, สี่บางส่วนบางประการยังไม่พบครบทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ ยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ที่มีอยู่ในพระทยของพระ อ, องค์เองให้หมดไปได้ร้อยเปซยังไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้หลังจากที่ได้งศึกษากับพรา อ, อาจารย์ต่างๆแล้วทรงรู้ว่ายัางไม่ได้พบกับคำตอบที่พระ อ, องค์ต้องการคือความ ดับของความทุกข์ทั้งหมดที่มีอยู่ในพระไทยของพระ อ, องค์พระ อ, องค์เลยต้องศึกษาค้นคว้าหาคําตอบที่พระ อ, องค์ต้องการหาพระ อ, อริยสัจสี่จนในที่สุดพระ อ, องค์ก็สามารถค้นพบพระ อ, อริยสัจสี่ได้ด้วยพระ อ, องค์เองครบทั้งร้อยเปอร์เซ็น จึงทำให้พระองค์สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ให้หมดสิ้นไปได้และทำให้พระทยของพระองค์ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปหลังจากที่พระองค์ได้ส่งคนพบพระอริยสัจสีแล้ว ก็ส่งนำเอามาเผยแพ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วสามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้สามารถกระชากม่านบังตาของใจที่ทำให้มองไม่เห็นพระอริยสัจสีได้ ก็สามารถบรรลุเป็นพระอาริยบุคคลขั้นต่างๆได้ตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดท่านเหล่านี้จึงเรียกว่าพระสาวกทั้งหลายพระอาริยสงสาวกผู้ที่สามารถดึงผ้าบังตาของใจออกไป ทำให้ใจมองเห็นพระอริยสัจสี่เห็นทุกข์เห็นสมุทยัยเห็นนิโรธเห็นมรรคจึงทำให้ท่านกลายเป็นพระอริยสองสาวกขึ้นมาแล้วก็ทำหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้าเผยแผ่พระอริยาาสัจสี่นี้ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็นมาก่อน เพื่อที่ผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็นจะได้รู้ได้เห็นและจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆเพื่อที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดของตนผู้ใดก็ตามถ้าได้มาพบกับพระพุทธเจ้าก็ดีพบกับพระอริยสงสาวกก็ดี หรือพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีก็จะได้พบกับพระอริยสัจสี่นี้เมื่อได้พบแล้วขั้นต่อไปก็ต้องน้อมเอาพระอริยสัจสี่นี้เข้ามาสู่ใจเข้ามาเปิดตาของใจให้เห็นพระอริยสัจสี่ที่มีอยู่ในใจของตนเอง อย่างตอนนี้ท่านทั้งหลายก็กําลังได้ยินเรื่องอริยสัจสี่เรื่องทุกข์เรื่องสมุทยัยเรื่องนิโรธเรื่องมรรคแต่เรื่องที่ท่านกําลังได้ยินนี้เป็นเรื่องที่ยังท่านยังมองไม่เห็นตัวจริงเพียงแต่ได้ยินชื่อของธรรมที่มีอยู่ในใจแต่ท่านยังมองไม่เห็นกัน ยังมองไม่เห็นความทุกข์ใจยังมองไม่เห็นต้นเหตุของความทุกข์ใจยังมองไม่เห็นการดับของความทุกข์ใจยังมองไม่เห็นทางที่จะนำไปสู่การดับของความทุกข์ใจพอาะการได้ยินได้ฟังนั้นเป็นเพียงการรู้ว่า อริยสัจสีนี้เป็นอะไรอยู่ที่ไหนแต่ตอนนี้ผ้าบาังตาที่ปกปิดตาใจของท่านไม่ให้เห็นพระอริยสัจสี่ยังปกปิดอยู่ท่านจำเป็นจะต้องน้อมเอาพระอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ส่งให้นำเอาไปใช้กับใจของท่านให้ท่านนำเอาไปปฏิบัติท่านถึงจะสามารถเห็นความทุกข์เห็นต้นเหตุของความทุกข์เห็นการดับของความทุกข์ที่เกิดจากการปฏิบัติ ทางที่นำไปสู่ความทุกข์ดังนั้นภาริยสัตสีที่ท่านทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องทำให้ปรากฏขึ้นมาในใจของท่านในเบื้องต้นก็คือการเจริญมรรคการสร้างมรรคมรรคคือเครื่องมือที่จะกำจัด ต้นเหตุของความทุกข์ใจคือความอยากต่างๆสมุ ท, ทยคือความอยากต่างๆมีอยู่สามประการคือความอยากในรูปเสียงกลิน่นรสเรียกว่ากามตัณหาความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตัณหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตัณหา ความอยากทั้งสามประการนี้แหละที่เป็นสมุทยัยเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของพวกท่านเวลาที่ท่านไม่สบายใจกันทุกข์ใจกันไม่ได้เกิดจากใครทั้งนั้นไม่ได้เกิดจากคนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้เกิดจากความอยากทั้งสามประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง และการที่จะทำให้ความทุกข์ใจของท่านทั้งหลายดับไปได้ท่านต้องกําจัดหรือหยุดความอยากที่กําลังสร้างความทุกข์ใจสร้างความไม่สบายใจให้แก่ท่านและทาที่จะสามารถดับความทุกข์ใจดับความไม่สบายใจของท่านได้ก็คือมรมครคมรรคที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ก็แสดงไว้หลายรูปแบบด้วยกันเช่นมรรคที่มีองค์แปดหรือเราเรียกว่ามรรคแปดมัชฌิมาปฏิปทามีแปดประการด้วยกันคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสัมมาสังกปความดำริหรือความคิดที่ถูกต้องสัมมากรรมโต การกระทําที่ถูกต้องสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องสัมมาอาชีโวอาชีพที่ถูกต้องสัมมาวายาโมวความภาคเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติความระลึกรู้ที่ถูกต้องและสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตใจที่ถูกต้อง นี่คือมัคหรือเครื่องมือที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาเพื่อละสมุทัยที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของความไม่สบายใจถ้าเราละกาม m ตัญหาได้ภาวะตัญหาได้วิภาวะตันหาได้ความทุกข์ใจก็จะหายไปหมดจะไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจ แล้วก็การจะมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปก็จะไม่มีพอผู้ที่ดึงใจหรือผลักดันใจให้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็คือสมุทัยนี้เองคือกามตันหาภวะตันหาและวิภวะตันหาพอเรามีมรรคแล้ว มักก็จะสามารถหยุดตัณหาทั้งสามนี้ได้ก็จะทําให้นิโรธคือความดับทุกขปรากฏขึ้นมาความทุกข์หายไปนิโรธโผล่ขึ้นมาคือความดับทุกขโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาด้วยมรรคที่มีองค์แปดที่พระองค์บางทีก็แสดงย่อลงมาเพื่อความกระชับอ คือศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีวนี่เองรวมกันเรียกว่าเป็นศีลเช่นการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตะเวณีไม่โกหกหลอกลวงไม่ดื่มสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆและไม่มีอาชีพ ที่ไม่ถูกต้องเรียกว่าศีลส่วนสมาธินี้ก็มีประกอบด้วยสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเพราะการจะมีสัมมาสมาธิได้ก็ต้องมีสัมมาวายาโมคือมีความภาคเพียรเจริญสตินั่นเองถ้ามีการภาคเพียรเจริญสติ ให้สติเป็นสัมมาสติคือสติที่เราเลือกรู้อยู่กับเรื่องเดียวไม่ยุ่ไม่รู้อยู่กับหลายเรื่องถ้ารู้อยู่กับหลายเรื่องนี้ไม่เรียกว่าสัมมาสติต้องรู้อยู่กับเรื่องเดียวเช่นรู้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวถ้ามีสัมมาวยาโมความเพียรที่จะสร้างสัมมาสติ คือให้จิตละลึกรู้อยู่กับพุทธโธเพียงอย่างเดียวเวลานั่งสมาธิจิตก็จะรวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้เป็นสัมมาสมาธิอัปปนาสมาธินี่คือสัมมาสมาธิแล้วพอมีสัมมาสมาธิแล้วก็จะหลังจากออกจากสมาธิมาก็จะสามารถเจริญ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกประคือปัญญาได้ปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกประนั่นเองสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นที่ถูกต้องเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าทุก์เกิดจากตัณหาความอยากทั้งสามคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวตัณหา ทุกจะดับได้ก็ดับได้ด้วยด้วยศีลสมาธิปัญญาปัญญาก็คือต้องเห็นว่าทุกเกิดจากความอยากการจะให้ทุกหายไปก็ต้องละความอยากความอยากเกิดจากอะไรเกิดจากความหลงหลงไปเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข เพราะไม่เห็นว่าสิ่งที่ตอนคิดว่าเป็นสุขนั้นมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นของใครทั้งนั้นมันไม่ได้เป็นของเราของที่เราได้มาเรามักจะคิดว่าเป็นของเราแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นของเราเพราะไม่ช้าก็เร็วของที่เราได้มาก็จะต้องพัดพาคจากเราไปหรือไม่เะนั้นเราก็ต้องพัดพาคจากเขาไป เพราะโมหะอวิชชาตกปิดใจทำให้มองไม่เห็นความจริงอันนี้จึงเกิดความอยากได้สิ่งที่เป็นทุกข์กันพอได้สิ่งที่เป็นทุกข์มาครอบครองความทุกข์ก็เลยปรากฏขึ้นมาภายในใจเวลาได้สิ่งที่ได้มา ก็เกิดความอยากที่จะให้สิ่งที่ได้มานั้นอยู่ไปเรื่อยๆเป็นของตนไปเรื่อยเรียกว่าภาวะตัณหาพอได้มาแล้วก็อยากให้เป็นไป น, นั้นให้อยู่ไปนานๆแล้วก็มีวิภาวะตัณหาไม่อยากให้จากเราไปแต่พอสิ่งที่เราได้มาจากเราไป ความทุกข์ก็โผล่ขึ้นมานี่คือปัญญาที่เกิดจากสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบและสัมมาสังกัปโปะความคิดชอบความําเละชอบพอเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเรา เป็นเป็นอนัตตา เ, ออเราก็ใช้ความคิดไม่เอาดีกว่าส้ำมาสังกับโปก็คือความคิดที่ถูกต้องคิดว่าต่อไปนี้จะไม่เอาอะไรที่มีอยู่ในโลกนี้ต่อไปจะไม่อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจะไม่อยากได้ลาบยศสรรเสริญออจะไม่อยากได้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ จะไม่อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอคิดแบบนี้ก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเพราะสามารถที่จะอยู่โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งต่างๆได้ถ้าจิตมีสัมมาส ม, มาธิจิตที่มีสัมมาส ม, มาธินี้เป็นจิตที่มีความสุขภายในตัวเอง เป็นความสุขที่ไม่ต้องเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งภายนอกเช่นลาบยศสรรเสริญเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผุดพภาพอมีปัญญามาบอกว่ารูปเสียงกลิ่นรสผุดถภาลาบยศสรรเสริญนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขจิตก็จะปล่อยวางได้ทันที อยู่กับความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงดีกว่าก็อยู่กับสัมมาสมาธิอยู่กับความสงบซึ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพอปล่อยวางความอยากต่างๆไปได้หมดใจก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไป พอไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เราก็เรียกว่านิโรธหรือนิพานนิพานก็คือใจที่ปราศจากความทุกข์ต่างๆเหลืออยู่แต่ความสุขเพียงอย่างเดียวที่เรียกว่าบรมสุขนิบานังปาลมังสุขขังนี่คือเรื่องของพระอริยสัจสที่พวกเราหลังจากที่ได้ยินได้ฟังแล้ว ต้องนําเอาไปทำให้มันปรากฏขึ้นมาภายในใจของพวกเราทำที่จะทำให้พระอริยสัจสี่ปรากฏขึ้นมาในใจของพวกเราก็คือมรรคนี่เองพระอริยสัจสี่ข้อที่สี่ที่พวกเราต้องเจริญกันส่วนพระอริยสัจสี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนี้เราไม่ต้องเจริญเพราะมันมีอยู่กับเราตลอดเวลา ความทุกข์ใจความไม่สบายใจนี่พวกเรามีอยู่กันตลอดเวลาความอยากทั้งสามประการพวกเราก็มีกันอยู่ตลอดเวลาคือกามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาเรามีกันอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่สามารถไปโยมผูกกันได้ว่าตัณหาทั้งสามนี้เป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์ใจ เป็นตัวที่ทําให้เราไม่สบายใจกันเพราะความหลงมันกลับหลอกให้เรามองกลับตาละปัดไปกลับให้เรามองเห็นว่าความอยากนี้จะกําจัดความทุกข์ใจได้เช่นเราทุกข์ใจเพราะอยากจะดื่มกาแฟถ้าเราไม่ได้ดื่มกาแฟแล้วเราจะรู้สึกหงุดหงิดําคาญใจพอเราได้ดื่มกาแฟได้ทําตามความอยากดื่มกาแฟ ความทุกข์ใจนั่นก็หายไปความสุขใจก็ปรากฏขึ้นมาเราก็เลยกลับไปคิดว่าความอยากทั้งสามคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเป็นตัวที่ทำให้เราได้รับความสุขกันเวลาอยากอะไรแล้วเราต้องทำตามความอยากกันพอเราทำตามความอยากแล้ว ความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นก็จะหายไปแล้วความสุขใจสบายใจก็ปรากฏขึ้นมานี่คืออํานาจของความหลงแทนที่จะให้เราเห็นว่าความไม่สบายใจของพวกเรานี้เกิดจากความอยากของพวกเราเองกลับไปเห็นว่าความไม่สบายใจนี้จะหายไปได้ จะต้องเกิดจากการที่เราทำตามความอยากเช่อนอยากดื่มกาแฟก็ต้องไปหามาดื่มช่วงที่อยากเรายังไม่ดื่มนี้มันไม่สบายใจแต่พอได้ดื่มแล้วมันสบายใจกันก็เลยแทนที่จะไปเห็นว่าความอยากเป็นตัวทําให้เกิดความทุกข์กลับไปเห็นว่าความอยาก ทำให้ดับความทุกข์ภายในใจได้ก็เลยไม่ละความอยากกันมีแต่คอยส่งเสริมสนับสนุนความอยากกันความทุกข์มาเลยไม่เคยหมดไปจากใจสักทีเดิมกาแฟไม่รู้กี่ร้อยแก้วแล้วความทุกข์อยากการดื่มกาแฟก็ยังมีอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาเกิดความอยากดื่มกาแฟขึ้นมาแล้วไม่ได้ดื่มความทุกข์ใจก็ ปรากฏขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นเพราะว่าเราไม่มีมรรคไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะสามารถมองเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้แม้พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วมาบอกพวกเราถ้าเรายังไม่มีมรรคเราก็จะไม่มีกำลังที่จะมาดึงผ้าม่านที่คอยหลอกเรา หลอกเราให้เห็นกับตาลราปัดกับให้เราเห็นว่าการทําตามความอยากนั้นเป็นการนําความสุขมาให้กับเราไม่ใช่เห็นว่าการไม่ทําตามความอยากเป็นการนําความสุขมาให้กับเราคือการทําลายความอยากไม่ทําตามความอยากจะทําให้ทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆหมดไปจากใจ เรายังไม่ได้พิสูจน์ความจริงอันนี้เราจึงต้องมาพิสูจน์กันด้วยการเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญากันถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาแล้วมีกําลังพอที่จะดึงความดึงผ้าบังตาที่ปิดบังความจริงออกไป เราก็จะเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นว่าการหยุดความอยากนี้จะทำให้ใจเราสบายเช่นเบื้องต้นเราอาจจะหยุดความอยากด้วยการนั่งสมาธิทาใจให้สงบจเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลาเกิดความอยากเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธไป พอใจสงบความอยากก็หายไปความห ง, งุดหงิดที่เกิดจากการจากความอยากดื่มกาแฟมันก็จะหายไปใจก็มีความสุขเหมือนกับได้ดื่มกาแฟโดยที่ไม่ต้องดื่มกาแฟอันนี้พอเราได้พิสูจน์แล้วว่าการระ ง, งับความอยากเป็นการดับความทุกข์ใจ เป็นการสร้างความสุขใจต่อไปเวลาที่เราอยากจะดื่มกาแฟเราก็ไม่ดื่มเราก็ฝืนความอยากไม่ทาตามความอยากมานั่งสมาธิแทนดีกว่าทุกครั้งอยากได้อะไรก็มานั่งสมาธิทุกครั้งที่ไม่สบายใจกับเรื่องอะไรก็มานั่งสมาธิกันแล้วความอยากนั่นก็จะหายไป แต่เราต้องรู้ว่าที่เราทุกนี้ทุกด้วยเหตุอะไรอยากกับเรื่องอะไรอยากกับแฟนอยากให้แฟนดีกับเราซื่อสัตย์กับเรารักเราแต่ได้ยินข่าวว่าแฟนแอบไปมีคนนั่นคนนี้เราก็จะไม่สบายใจขึ้นมา ท, ทันทีความไม่สบายใจเกิดจากอะไร เกิดจากความอยากของเราให้แฟนเราซื่อสัตย์รักเราเพียงคนเดียวแต่พอเราไปได้ยินข่าวว่าเขาแอบไปมีคนนั้นมีคนนี้เราก็ไม่สบายใจเพราะความอยากของเราให้เขามีเราเป็นคนเดียวแต่เขากลับไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากเราก็เลยไม่สบายใจถ้าเรารู้ว่าเราไม่สบายใจ เพราะความอยากเรามาหยุดความอยากดีกว่าเราอย่าไปหยุดแฟนเพราะแฟนเราไปหยุดเขาไม่ได้บอกเขาแล้วขอร้องเขาแล้วต่อหน้าเราเขาก็อาจจะรับปากว่าไม่ทำแต่พอรับหลังเราเขาก็แอบไปทำได้อีกพอเรารู้เข้าเราก็จะไม่สบายใจอีกการแก้ปัญหาไม่ได้แก้ด้วยการทำตามความอยาก พออยากเราก็ต้องไปพูดไปคุยกับแฟนไปขอร้องเขาให้เขารักเราเพียงคนเดียวอันนี้ไม่ใช่วิธีแก้วิธีแก้ก็คือเรามานั่งสมาธิกันเวลาเราไม่สบายใจเนื่องจากแฟนเราไปมีคนอื่นเราก็มามาปลงใจดีกว่ามาหยุดความอยากให้แฟนไม่ไปมีคนอื่นดีกว่าปล่อยให้เขา ไปปล่อยให้เขามีของเขาไปถ้าเรานั่งสมาธิได้ใจของเราสงบความอยากที่จะให้แฟนรักเราเพียงคนเดียวก็จะหายไปความสบายใจความสงบป้าก็ปรากฏขึ้นมาแฟนเราจะไปมีแฟนกี่คนเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนใจเพราะความอยากไม่ให้เขาไปมีแฟนใหม่มัน ถูกระ ง, งับไว้ด้วยการนั่งสมาธิทุกครั้งที่เราไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องของแฟนเราก็มาหยุดความอยากที่จะให้แฟนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับแฟนอยู่กับเขาได้อย่างสบายเขาจะอยู่เขาจะไปเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่มีความอยากในตัวเขาแล้ว เขาอยากจะไปมีแฟนอยากจะไปอยู่ที่อื่น mm. ก็ให้เขาไปได้เขาอยากจะอยู่กับเราต่อไปก็ให้เขาอยู่กับเราได้ mm. เราไม่เดือดร้อนกับเขาไม่ว่าเขาจะอยู่หรือเขาจะไปถ้าเราตัดความอยากในตัวของเขาได้ความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนั้น mm. ด้วยการใช้สัมมาส ม, มาธิ mm. แล้วด้วยการใช้ปัญญา สอนใจให้เลิกความอยากต่างๆในตัวของแฟนเสียอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เวลาไม่สบายใจเพราะเขาไม่ได้ทำตามความอยากของเราเรามาหยุดความอยากด้วยการนั่งสมาธิดีกว่าแล้วถ้าเราหยุดความอยากแบบนี้ไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเลิกเลิกอยากในตัวเขา เพราะเราจะเห็นว่าเวลาเราไม่มีความอยากนี่เรากลับมีความสุขมากกว่าเวลาที่เรามีความอยากเราได้ได้ตามความอยากเช่นอยากให้สามีทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอเขาทำตามเราก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมาแต่เดี๋ยวเขาก็ไปทำอย่างอื่นที่ทำให้เราไม่พอใจขึ้นมาเองเราก็จะทุกข์ใจไปกับเขาอีกแต่ถ้าเขาแต่ถ้าเราเลิกไปอยากกับเขา ไม่ว่าเขาจะทำอะไรอย่างไรเมื่ อ, อไหรที่ใดเราไม่สนใจเรามาหาความสุขจากการนั่งสมาธิดีกว่าอย่าไปหาความสุขจากตัวแฟนเราจากการกระทำของเขาแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนกับแฟนอีกต่อไปแฟนจะอยู่แฟนจะไปไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปเพราะเราสามารถ อยู่ได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีแฟนนั่นเองนี่คือประโยชน์ของการมีสมาธิและมีปัญญา<ม>เราต้องมีปัญญาเราต้องรู้ว่าความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากอันไหนเมื่อรู้เราเกิดจากความอยากอันนี้เราก็อย่าไปทำตามมันแทนที่จะทำตามความอยากอันนี้เราไปนั่งสมาธิกัน พอเรานั่งสมาธิความอยากอันนี้ก็จะสงบตัวลงแล้วทั้งต่อไปความอยากอันนี้มันก็จะเบาลงไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะหายอยากไปเองเพราะเราสามารถมีความสุขได้จากการนั่งสมาธิโดยที่ไม่ต้องมีความสุขจากการทำตามความอยากของเรานั่นเองนี่คือวิธีการดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้า ได้ส่งค้นพบเราต้องมาดับความทุกข์ใจของพวกเราด้วยการมาสร้างเครื่องมือมาสร้างมัชที่จะเป็นตัวที่จะมาทำลายความอยากต่างๆทั้งสามประการนี้คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นด้วยการใช้ศีลสมาธิปัญญา ถ้าเรามีศีลเราก็จะสามารถระ ง, งับการกระทําต่างๆที่ทําให้เราทุกข์ได้เช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดเระเวณีหรือร่วมหลับนอนกับแฟนถ้าเราเลิกร่วมหลับนอนกับแฟนได้เราก็ไม่เดือดร้อนแฟนจะอยู่กับเราหรือไม่อยู่กับเราเราก็ไม่ทุกข์ถ้าเราเลิกกินอาหารเย็นได้ เราก็จะไม่ทุกเวลาเราไม่มีอาหารเย็นกินถ้าเราเลิกเที่ยวได้เลิกดูหนังฟังเพลงได้เลิกแต่งเนื้อแต่งตัวได้เราก็จะไม่ต้องทุกข์กับเรื่องการไปเที่ยวการไปดูหนังฟังเพลงการไปหาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากเราจะอยู่อย่างสบายอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรได้ เวลาเราสูญเสียอะไรไปก็จะไม่เป็นปัญหาสูญเสียทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไปก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเรายังมีความสุขได้จากการทำใจให้สงบจากการหยุดความอยากจะมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองคนที่ทุกข์กับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองก็เพราะว่าความอยากนี่เองอยากมีมากๆอยากมีนานๆ พอมีน้อยก็ทุกข์พอมีไม่นานก็ทุกข์เนี่ยแต่ถ้าคนเห็นโทษของความอยากมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็เลิกมีไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากเกินไปมีพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอแล้วถ้าเกิดไม่สามารถมีเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็จะไม่เป็นปัญหาอีก เพราะใจก็จะปล่อยวางร่างกายได้เช่นเดียวกันความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะถูกศีลสมาธิปัญญานี้กำจัดไปทำให้ใจไม่เดือดร้อนถ้าไม่มีเงินทองซื้ออาหารมารับประทานหรือซื้อยารักษาโรคมารักษาก็ปล่อยให้มันอยู่ไปตามเวทตามกรรมของมัน ตามบุญตามกรรมถ้ามันอยู่ได้ก็อยู่ไปถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็ตายไปเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในที่สุดก็ต้องตายเหมือนกันจะตายรวยตายจนก็ตายเหมือนกันตายอิ่มตายหิวก็ตายเหมือนกันแต่คนที่มีมัสมีศีลสมาธิปัญญานี้จะไม่เดือดร้อนกับความตายของร่างกาย จะไม่เดือดร้อนกับความยากจนความสิ้นเนื้อประดาตัวความสูญเสียทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไปหรือสูญเสียบุคคลที่รักไป <c oughs> เพราะใจที่มีมรรคมีศีลสมาธิปัญญานี้จะตั้งอยู่ในความสุขตลอดเวลา <c oughs> จะอยู่ในบารมัสุขตลอดเวลาอย่างนั้นความทุกข์ ที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งต่างๆไปนี้จะไม่สามารถเข้ามาสู่ภายในใจได้<ม>ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกอรหันนี้ท่านไม่ทุกข์กับการพัดพากจากสิ่งต่างๆไปเลยไม่ทุกข์กับการพัดพากจากลาบยศสรรเสริญไม่พัดไม่ทุกข์กับการพัดพากจากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ทุกกับการพัดพากจากร่างกายของท่านไปเพราะใจของท่านนั้นไม่มีความอยากในสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่มีความอยากในสิ่งเหล่านี้ความทุกข์จึงไม่เกิดขึ้นมาในใจของท่านความทุกข์ไม่เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะอำนาจของศีลสมาธิปัญญาที่ท่านได้มาได้บาเพ็ญ น, นั่นเองถ้าพวกเราสามารถบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญาได้ เราก็จะสามารถระงับความอยากต่างๆได้เวลาเกิดความอยากก็สามารถหยุดมันได้พอหยุดความอยากได้ความทุกข์ก็หายไปแล้วถ้าเราหยุดมันบ่อยๆต่อไปมันก็หมดกำลังมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาอีกต่อไปเราก็จะอยู่เฉยๆไปได้อย่างสบายไม่มีวันสิ้นสุด ใจของพวกเราก็ไม่ต้องไปมีอะไรอีกต่อไปเพราะใจของเรามีปัญญารู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราไปมีนั้นมันจะต้องทำให้เราทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นของเราได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปแล้วเอามาทำไมเอามาแล้วต้องเสียไปสู้อย่าเอาไม่ดีกว่ามันก็เป็นศูนย์เหมือนกันตอนนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์แล้วเราไปเอาของมา แล้วเดี๋ยวพอเสียของนั้นไปเราก็กลับมาอยู่ที่ศูนย์เหมือนเดิมแต่ศูนย์แบบทุกเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์แบบไม่ทุกพอเราไปเอามันมาพอมันศูนย์ไปจากเราเราก็จะทุกเ์เวลาเราไม่มีถ้าเราทำใจได้ไม่มีอะไรเราทำใจได้เราก็ไม่ทุกที่เราทำใจไม่ได้ที่เราต้องไปมีกันก็เพราะเราทำใจไม่ได้เราสู้ความอยากไม่ได้ พอเกิดความอยากจะดื่มกาแฟก็สู้มันไม่ได้ก็เลยต้องไปดื่มพอกาแฟหมดพอไม่มีกาแฟดื่มก็จะทุกข์แต่ถ้าเรายอมอดหรือ เ, เราเข้าไปในสมาธิแทนเวลาอยากดื่มกาแฟเราก็เข้าไปในสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบความอยากดื่มกาแฟก็หายไป ความทุกความหงุดหงิดที่เกิดจากการอยากดื่มกาแฟก็หายไปทุกครั้งที่อยากกาแฟก็ทําอย่างนี้ไปต่อไปความอยากกาแฟจะหายไปรับลองได้นี่คือวิธีการหยุดความอยากต่างๆเอคนที่ติดเหล้าติดบุหรี่ติดเที่ยวติดเงินติดทองติดการพนันติดอะไรก็ตามลองอยากไปทําตามมันใช้พัดหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายอยากเอง อยากเที่ยวถ้าไม่ไปเที่ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็เลิกเที่ยวเองอยากมีแฟนก็อยากไปมีมันเดี๋ยวมันก็จะอยู่คนเดียวได้ถ้ามีแฟนแล้วมันต้องมีอยู่เรื่อยพอแฟนคนนี้แยกกันก็ไปหาแฟนใหม่ต่อหาไปเรื่อยหาไปเท่าไหร่ก็ไม่พอตายไปก็กลับมาเกิดมาหาใหม่นี่คือ สิ่งที่พวกเราต้องมาปฏิบัติกันเพราะตอนนี้พวกเรายังไม่มีกำลังสู้กับความอยากได้นั่นเองยังไม่มีกำลังสู้กับกามะตัญหาได้ยังไม่มีกำลังสู้กับภาวะตัญหายังไม่มีกำลังสู้กับวิภาวะตัญหาเราจึงต้องมาทุ่มเทชีวิตจิตใ จ, จของพวกเรามาสร้างเครื่องมือที่จะมาละมาหยุดตัญหาทั้งสามนี้กัน ด้วยการมารักษาศีลดโดยการมาฝึกสมาธิกันเจริญสตินั่งสมาธิกันไปทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วเราก็จะหยุดความอยากได้แล้วพอเกิดความอยากขึ้นมาใหม่เราก็จะบอกใจว่าอยากไปทำตามความอยากถ้าทนความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่ไหวก็เข้าไปในสมาธิแทน ถาทนได้ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ไม่ทําตามความอยากพอเราไม่ทําตามความอยากต่อไปมันก็จะหายไปหมดเนี่ยพอหายไปหมดใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ใจของเราก็จะเป็นนิพพานขึ้นมานิพพานนี้ไม่ได้เป็นเมืองไม่ได้เป็นบ้านไม่ได้เป็นประเทศเป็นใจที่ ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจเป็นใจที่มีศีลสมาธิปัญญากำจัดความอยากต่างๆจนไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ภายในใจนอกจากบาลมมาสุขเพียงอย่างเดียวนิ่บานังปรามังสุขขังเป็นผลที่เราจะได้รับจากการที่เราจะเญิมรัมกกันจเจริญศีลเจริญสมาธิจเจริญปัญญากัน พอเรามีศีลสมาธิปัญญาที่มีกําลังที่จะหยุดความอยากได้เราก็จะได้ความสงบได้ความสุขความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปหมดการเวียนว่ายตายเกิดที่เกิดจากความอยากต่างๆก็จะหายไปหมดเช่นเดียวกันเราก็ไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกต่อไป ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเราก็จะอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอาหารหันตสาวกันเรานี้คือใครเราก็คือจิตใจที่มีศรัทธาในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่เองหลังจากที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติกันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชาย ก็ไม่เป็นปัญหาตรงไห น, นเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเลือนเป็นชาวไทยชาวต่างประเทศใจของพวกเราเหมือนกันหมดใจของพวกเรามีอริยรรสัจสีมีทุกข์มีสมุทยัยแต่ยังไม่มีมรรคไม่มีนิโรธกันเราจะมาทำใจของเราเปลี่ยนจากการมีทุกข์มีสมุทยัย มาให้เป็นมีแต่มรรคมีแต่นิโรธกันเป็นได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ครองเรือหรือเป็นนักบวชเป็นชาวไทยชาวต่างประเทศสามารถที่จะสร้างมรรคขึ้นมาด้วยกันได้ด้วยกันทุกคนสามารถสร้างศีลได้ด้วยกันสามารถสร้างสมาธิได้ด้วยกันทุกคนสามารถสร้างปัญญาได้ด้วยกันทุกคน ไม่มีการแบ่งแยกว่าหญิงทำได้ผู้ชายทำไม่ได้หรือทำได้แต่ผู้ชายผู้หญิงทำไม่ได้หรือทำได้แต่นักบวชผู้ที่คลองเรือนทำไม่ได้อันนี้ไม่เกี่ยวทำได้ทุกคนเพียงแต่ว่าเพศนี้อาจจะมีมีปัจจัยเสริมหรือปัจจัยถ่วงเท่านั้นเองถ้าเป็นเพศชายถือว่ามีปัจจัยเสริม มากกว่าเพศหญิงเพศหญิงนี้จะมีปัจจัยถ่วงมากกว่าเพราะเพศหญิงเป็นเพศ อ, อ่อนออ่นแอเป็นเพศที่ถูกรังแกได้ง่ายนั่นเองแล้วการจะไปบําเพ็ญนี้มกักจะต้องไปบําเพ็ญตามลําพังอยู่คนเดียวก็อาจจะมีปัญหาได้สําหรับผู้หญิงที่จะไปบําเพ็ญตามลําพังเพราะจะไปเป็นเป้าของผู้ที่ไม่ประสงค์ดีได้ะ ผู้ที่จะมารังแกได้นั่นเองอันนี้เป็นเรื่องของเพศที่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติของของมนุษย์ที่มันมักจะชอบรังแกกันผู้ที่มีกำลังบังชามากกว่าก็ชอบรังแกผู้ที่มีกาลังน้อยกว่านันเท่านั้นเองยึงทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นหญิงนี่ไม่สามารถ บำเพ็ญได้ปฏิบัติได้บำเพ็ญได้ปฏิบัติได้แต่อาจจะต้องหาสถานที่ปลอดภัยจากพวกที่จะมารังแกเท่านั้นเองแต่สําหรับเป็นผู้ชายนี้จะไม่ค่อยมีใครอยากจะมารังแกด้วยมาอยู่ที่ไหนเปลี่ยวๆคนเดียวก็ไม่มีใครมายุ่งปล่อยให้นั่งสมาธิปล่อยให้เจริญปัญญาได้อย่างสบาย แต่ถ้าผู้หญิงไปอยู่คนเดียวไปเดินจงกรมนั่งสมาธิคนเดียวในที่เปลี่ยวเดี๋ยวก็อาจจะถูกพวกที่ไม่ประสงค์ดีมารังแกได้นั่นเองนี่คือเรื่องของเรื่องของเพศเรื่องของวัยเรื่องของการเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชเรื่องของการเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศเนี่ยมันมีปัจจัยสนับสนุนกับปัจจัยถ่วงไม่เหมือนกัน ชาวต่างประเทศเขาก็ขาดครูบาอาจารย์ที่สามารถสั่งสอนเขาในภาษาของเขาได้เขาก็ต้องอาศัยล่ามบ้างอาศัยคนอื่นบอกบ้างเล่าให้ฟังบ้างก็จะสู้คนไทยไม่ได้ที่สามารถฟังภาษาเดียวกับของครูบาอาจารย์ได้คนไทยก็ถือว่ามีปัจจัยเสริมมากกว่าชาวต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้น นี่คือเรื่องของเรื่องของภาวะของสถานภาพของแต่คนแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นคาวาสหรือนักบวชก็มีปัจจัยไม่เหมือนกันคาวาสก็มีปัจจัยทวงมากกว่านักบวชนักบวชนี่มีปัจจัยเสริมมากกว่าปัจจัยทวงหญิงก็มีปัจจัยทวงมากกว่าปัจจัยเสริมอย่างนี้เป็นต้น แต่ก็ไม่ได้สามารถม า, าห้ามไม่ให้เจริญสีนสมาธิปัญญาได้ก็ยังสามารถเจริญได้แต่จะต้องหาสถานที่ที่จะกำจัดปัจจัยถ่วงทั้งหลายหาสถานที่ที่จะสร้างปัจจัยเสริมขึ้นม า, เ, าเท่านั้นเองดังนั้นขอให้เราจงทราบ ว, ว่าพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้านี้ มีทุกเพศทุกวัยมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งคารวาะมีทั้งนักบวชมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งชาวไทยชาวอินเดียชาวต่างประเทศเพราะเพศของเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวเป็นอุปสรรคมาขวางกัน้นการเจริญสีสมาธิปัญญาถ้าเป็นนักบวชแล้วไม่เจริญสีสมาธิปัญญาก็ไม่มีวันที่จะ นับประโยชน์จากการบําเพ็ญได้ไม่สามารถที่จะสร้างพระนิพพานขึ้นมาภายในใจได้ถึงแม้จะมีปัจจัยเสริมแต่กลับไม่ใช้โอกาสอันดีนั้นกลับเอาโอกาสนั้นไปทำภารกิจอย่างอื่นแทนเช่นไปสร้างวัดวาอารามไปเป็นมักุเทศพาสัตายาติโยมไปน้ำวัศสการตามภูชนียสถานต่างๆ ตัวเองไม่สนใจกับการมาเจริญศีนสมาธิปัญญาเป็นนักบวชก็เสียโอกาสของการเป็นนักบวชไปเสียปัจจัยเสริมไปแทนที่จะเอาปัจจัยเสริมมาเสริมในการสร้างศีนสมาธิปัญญาก็ไม่เอามาใช้กันกับเอาเวลาไปทําอย่างอื่นนําญาติโยมไปทอดพระปา่าทอดกระิ่นไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิ สร้างวัดสร้างอะไรต่างๆแต่ตัวเองไม่มาสร้างศีลสมมาธิปัญญานิพพานก็ไม่เกิดขึ้นมาถึงแม้ว่าจะเป็นนักบวชเป็นผู้ที่มีปัจจัยเสริมมากกว่าคราวาสญาติโยมฆราวาสญาติโยมถึงแม้จะไม่มีปัจจัยเสริมแต่ก็สามารถปีกวิเวกได้ไปหาที่ปลอดภัยบาเพ็ญได้ ก็บำเพ็ญเจริญสีนสมาธิปัญญาขึ้นมาและบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้อันนี้ไม่ได้อยู่ที่เพศที่วัยอยู่ที่สถานภาพอยู่ที่ความเพียรว่าจะเพียรสร้างสีนสมาธิปัญญาขึ้นมาได้หรือเปล่าเท่านั้นเองดังนั้นพวกเราอย่าหลงประเด็นอย่าไปคิดว่าเราเป็นค า, ารวาชาตินี้เราไม่มีวันที่จะไปนิพพานได้ เราเป็นผู้หญิงเราไปนิพพานไม่ได้เราเป็นเด็กเราไปนิพพานไม่ได้เราต้องเป็นผู้ชายเราต้องออกบวชเท่านั้นถึงจะเป็นได้อันนี้ไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่เป็นสัมม า, ม ส, มมาสังกประความคิดที่ถูกต้องว่าเราเหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเราคือจิตคือใจที่สามารถจเจริญสีนสมาธิปัญญาได้ด้วยกันทุกคน คิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ถูกหลอกทุกวันนี้เราถูกกิเลสหลอกให้เราไม่ไ ม, ไม่ไม่สร้างศีลสมาธิปัญญากันเราจึงเราจึงไม่มีโอกาสที่จะไปนิพพานกันแต่ถ้าเราสามารถแก้ตัวนี้ได้แก้ตัวที่มาหลอกเราได้ว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นพระอริยสงสาวกได้ด้วยกันทุกคน จเจริญศีนสมาธิปัญญาได้ด้วยกันทุกคนเพราะในอดีตมีมาแล้วมีทั้งนักบวชมีทั้งคารวาดมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีภิกษุมีภิกษุณีมีสมณีมีเด็กมีผู้ใหญ่ที่จเจริญศีนสมาธิปัญญาได้ที่สามารถสร้างพระนิพพานขึ้นมาภายในใจของเขาได้นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะจดจาเอาไว้ เพื่อเราจะได้ไม่ถูกความหลงหลอกให้เราไม่ปฏิบัติไม่สร้างศีลสมาธิปัญญากันแล้วมันจะทำให้เรามีกำลังจิตกำลังใจที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจของพวกเราให้กับการเจริญมรรคคือศีลสมาธิปัญญานี้พอเรามีมรรคแล้วนิโรธก็จะเกิดขึ้นมาความทุกข์ต่างๆก็จะดับไปสมุทยัยคือความอยากต่างๆก็จะหายไปหมดจากจิตจากใจ พบชาติการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาสัมผัสรับรู้กับพระอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบแล้วน้อมแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเราสามารถน้อมเอาไปปฏิบัติได้เราก็จะสามารถ ไปนิพานได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายไปได้ดึงขอให้ท่านจงมีความแน่วแ น, วแน่มั่นคงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการบรรพ็ญมากคือศีลสมาธิปัญญานี้เถิดแล้วรับรองได้ว่าผลมันจะเกิดขึ้นมาเองนิ บ, บานังประมังสุขขังจะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอน การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอย่าถาวาริกวาหาปุราปาริกปเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกาปติอิชีตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสเิจโต สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิตโยวิวาชันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ พิวาธนาสีลิสะนิจังวุฒาปะจายโนยตาโรธรรมะวะทานติอายุวโนโอสุขังภาลาัาลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามปัญหาธรรม ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วจะขอยุติการถามตอบถ้าใครต้องการถามก็ขึ้นมาที่ศาลานี้มีไมโครโฟนให้ท่านได้พูดได้ถามได้ผู้ฟังจะได้ยินเสียงคำถามด้วยถ้ายังไม่มีเดี๋ยวจะให้ ผู้ที่ติดตามถ่ายทอดสดทางบ้านทาง Facebook และทาง Youtube ที่ได้ส่งข้อความเข้ามาก็จะเอามาอ่านมาถามก่อนวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ตอนนี้ Facebook เหลือ204คนคะ่ตะตอนแรกประมาณ320คนคะ่ะส่วน Youtube ประมาณ52คนคะ่ะวันนี้คำถามจะผู้ฝักถามที่ศาลานะคะข้อที่หนึ่ง บุคคลที่ยังชอบที่จะตามอารมณ์ที่สวยในแต่ละวันแต่เขารู้ว่าวันนั้นเช่นเย็นแล้วถึงเวลาต้องหยุดตามแต่จิตฟุ้งมากเนื่องจากสติอ่อนเพราะตามอารมณ์ที่สวยในแต่ละวันทั้งวันดังนั้นตอนเย็นก่อนเริ่มตั้งมั่นเพื่อนั่งทำสติให้เกิดสมาธิควรจะทำจิตให้ฟุ้งน้อยที่สุดต้องทำอย่างไรคะก็แล้วแต่ที่เราวิธีที่ทาให้เราเกิดผล บางคนก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนบางคนก็ใช้การฟังเทศฟังธรรมไปก่อนบางคนก็ใช้การอ่านหนังสือธรรมะไปก่อนแล้วแต่จะถนัดทางไหนบางคนก็อาจจะใช้กรรมฐานอาการสามสิบสองของร่างกายท่องเที่ยวไปในอาการต่างๆโดยการท่องชื่อไปก่อนก็ได้ ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเพื่อที่จะดึงจิตให้ออกจากอารมณ์ต่างๆที่ติดค้างอยู่จากการที่ไปทำงานทำการมาอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดความเหมาะสมของแต่ละท่านว่าอชอบวิธีไหนก็ลองใช้วิธีเหล่านั้นดูข้อสองมีครูบาอาจารย์บางท่าน สอนให้นอนโดยให้ร่างกายพักไปเลยสัก15 3 0ถึงนาทีจิตก็จะฟุ้งน้อยลงการเริ่มทำสติแบบนั่งก็จะง่ายขึ้นซึ่งโยมก็ใช้วิธีนี้อยู่วิธีนี้ถูกต้องไหมคะก็อย่างที่บอกว่าถ้ามันทำแล้วเกิดผลก็ถูกต้องถ้าทำแล้วทำให้จิตเราสงบลงกลับมาเป็นปกติสามารถที่จะบำเพ็ญจิตตะภาวนาได้ก็ถือว่าถูกต้อง การปฏิบัตินี้มันมีหลากหลายวิธีด้วยกันที่ไม่ได้มีจดไว้ในคัมภีในคัมภีนะั้นท่านแสดงการปฏิบัติแบบกลางๆแต่แบบแหวกแนวของแต่ละคนนี่มันมีมากมายที่ผู้ปฏิบัติจะต้องพิสูจน์เอาเองจะมาถามเรานี่เราก็ไม่ได้ปฏิบัติทุกวิธี จะมาให้เรารับรองว่าวิธีนั้นถูกหรือไม่ถูกนี่มันไม่ได้มันต้องใช้หลักสันติิโกผู้ปฏิบัติย่อมพิสูจน์ได้ด้วยตนเองรู้ได้ด้วยตนเองว่าวิธีที่ตนเองปฏิบัติถูกหรือไม่ถูกผลก็คือจิตสงบหรือไม่สงบอันนั้นแหะถ้าจิตสงบก็ถูกถ้าจิตยังฟุ้งซ่านอยู่ยังทุกข์อยู่ก็ไม่ถูกคําถามสักทาง Inbox นะคะจากคุณอาทิตย์ ผมทำกรรมฐานมานานหลายปีมีความคิดว่าไม่ก้าวหน้าปัญหาคือจะไปได้แค่ชาญนสามเพราะไม่มีวิตกวิจาร์พอมาถึงช่วงนี้ร่างกายจะสานหมุนและเวียงบางทีออกท่าทางยกแขนซ้ายแขนขวาทีแรกคิดว่าปีติแต่มาถึงตอนนี้จะเวี่ยงจน จ, นจิต ด, ดุดจากความสงบขอให้พระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับ คิดว่านั่งโดยไม่มีอะไรกำกับใจนั่นเองถ้ามีการดูลมหายใจเข้าออกมีการบริกรรมพุทโธอาการต่างๆเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้านั่งไปเฉยๆแล้วตามดูจิตตามรู้จิตอาการต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้ง่ายเราต้องมีอะไรคอยกำกับจิตถ้ามีการกำกับจิตแล้วอาการต่างๆก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้คาถามจากคุณสาตรา ผู้ที่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตต้องทําอย่างไรครับก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันทุกคนเพื่อคนที่ปฏิบัตินี้ก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ทั้งนั้นแล้วแต่โอกาสว่ามันจะเป็นเป็นอาหารหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าถ้ามันเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็สบายไม่ต้องไปค้นหาทางเองก็เป็นพระอาหารหันต์ไป ถ้าไม่มีครูอาจารย์สอนก็ต้องค้นหาทางเองก็เป็นพระพุทธเจ้าไปผลก็เท่ากันก็คือได้นิบานิพานเหมือนกันหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหนั้นกันเพราะฉะนั้นอย่าให้กิเลสมันมาหลอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าเท่กว่าเป็นพระอรหันต์เหมือนกันเรียนตั้งสือก็ได้สี่จุดศูนย์เหมือนกันคำถามสกุลชาญชายัยผมนั่งคิดอะไรเรื่อยเปลื่อยแล้วก็คิดว่า สาบานว่าชาตินี้จะไม่ปากมากแล้วผมก็ไปถอนคำสาบานผมพูดว่าข้าขอถอนคำสาบานที่พูดว่าจะไม่ปากมากแบบนี้จะถือว่าเป็นคำสาบานอยู่หรือเปล่าครับสาบานก็อยู่ที่ตัวเราเราเป็นคนคิดขึ้นมาเองแล้วเราก็เชื่อในคำคิดของเราเองถ้าเราเลิกเชื่อมันก็มันก็หมดไปข้อะคำสาบานมันไม่ได้เป็นเหตุที่จะทาอะไรต่างๆที่เราสาบานให้เกิดขึ้นได้ สาบานให้ฟาบฟ้าผ่าตายถ้าไปโกหกเมียอย่างนี้ก็สาบานได้โกหกได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนมันไม่มีดดนฟ้าผ่าเข้าใจไหมอันนี้เป็นคําถามที่ถามมาเมื่อวานนี้เนี่ยเอรู้สึกจะเป็นคําถามเก่าทั้งนั้นนะนี่ทําไมนี่ในในคําถามที่เขาฝากไว้ในข้อความใช่ไหมอ่อนี่ถามไปแล้วเกลี่ยขก็ถามไปแล้วเอาข้อความสดดีกว่า ข้อความที่เข้ามาวันนี้ที่ไหนคาถามจากอาจารย์งามข้อหนึ่งอนิสงฆ์ของการใช้ธรรมะเป็นธรรมทานเช่นจัดพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรีจัดรายการธรรมะทางรายการวิทยุทางโทรทัศน์เพื่อเป็นธรรมทานจะได้รับบุญกุศลอย่างไรคะคือการให้ของเหล่านี้ผู้ให้จะได้บุญเหมือนกันไม่ว่าจะให้วัตถุทานให้วิทยาทาน หรือให้ธรรมทานผู้ให้เองนี้จะได้บุญเหมือนกันแต่ผู้รับจะได้ประโยชน์ต่างกันถ้าให้วัตถุ ก, ก็ได้เข้าวของเพื่อเอาไปใช้ดูแลเลี้ยงดูร่างกายแต่ไม่สามารถไปบำบัดความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจได้แต่ถ้าให้ธรรมะก็จะไปบำบัดความทุกข์ภายในใจแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปบำบัดความทุกข์ทางร่างกายได้ ประโยชน์มันต่างกันแต่ความทุกข์ทางใจนี่มันรุนแรงกว่าความทุกข์ทางร่างกายเยนถ้าให้ธรรมะนี้ก็จะสามารถกําจัดความทุกข์ที่รุนแรงร่ายกาศได้เรเราจะทําให้ความทุกข์ทางร่างกายนี้ไม่เป็นปัญหาต่อผู้ที่ได้กําจัดความทุกข์ทางใจได้ยังการให้ธรรมะจึงเป็นประโยชน์กว่าแต่ผู้ให้นี้ ได้รับประโยชน์ได้ความได้บุญเหมือนกันไม่ว่าจะให้เงินทองจะให้ธรรมะหรือจะให้ความรู้ผู้ให้ได้จากการเสียสละแบ่งปันอันนี้เป็นความสุขเป็นบุญเหมือนกันหมดไม่ว่าสิ่งที่เราจะให้จะเป็นอะไรแต่ผู้รับนี้จะได้รับประโยชน์ต่างกันไปตามสิ่งที่ได้รับไปได้รับปัจจัยสี่ก็บรรเทาความทุกข์ยากลาบากของร่างกายไป ได้รับธรรมะก็จะบรรบับความทุกข์ใจไปมีคำถามหรืออยากจะถามเลย อ, เอ่เอาเลยเนี่ยเอาไมรกฟนเลยพูดใกล้ๆหน่อยนะจะได้เสียงดังครับการเรียนมาอาจารย์ครับคือมีอยู่หลายปีแล้วผมผมมีคำถามอยู่ประมาณสองสามคำถามนะครับอย่าอย่าอย่าย้อนความยาวแล้วก็แล้วกันถามเลยดีกว่าถ้าอยากจะถามเลยผมผมเคยนั่งปฏิบัติ โดยที่ไม่มีครูบาอาจารย์นะครับผมชอบนั่งสมาธิและทีนี้ผมนั่งไปนั่งมามันมีอยู่วันหนึ่งผมรู้สึกตัวล อ, อยครับอาจารย์ตัวล อ, อยแล้วเหมือนมีอะไรมาบินวนรอบและจังหวะนั้นผมรู้สึกเหมือนมีแสงแสงมากระทบนะครับแล้วผมก็สะดุ้งตื่นนะครับอาจารย์สะดุ้งตื่นก็แสดงว่าไม่ได้นั่งสมาธิสิคือตกใจตื่นนะครับออกจา ก, กจสมาธิครับคือถ้าสมาธิจริงๆแล้วมันจะไม่ตื่นมันจะรู้แล้วมันจะเฉยๆมันจะอยู่กับ พุโทโธไปเรื่อยๆจะอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆถ้ามันอยู่แบบไม่มีสิ่งเหล่านี้มันก็จะเคริ้มมันก็จะอ่ามันก็จะทาให้เราลอยไปลอยมาได้เพราะอย่านั่งสมาธิแบบนี้ไ ม, ไม่ถูกดังนะั้นสมาธิแบบรู้ตัวอยู่ตลอดเวลารู้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปหรืออยู่กับลมหายใจไป แล้วแสงที่มากระทบนี้ไม่ไม่ใช่ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ก็มันก็เป็นแสงแต่มันไม่มีนัยยะอะไรมันไม่มีคุณไม่มีโทษอะไรกับการปฏิบัติของเราครับมันทําให้ผมเลิกนั่งสมาธิไปประมาณสามสี่ปีเลยครับนั่นแหละก็เพราะว่าเรานั่งไม่ถูกวิธีถ้าเรานั่งโดยมีพุทโธกํากับใจหรือมีลมหายใจกํากับใจมันจะไม่มีอาการต่างๆเหล่านี้หรือถ้ามีเราก็จะไม่หวั่นไหวไม่วิตกไม่กังวล เราก็รู้ว่ามันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเราก็อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะหายไปแล้วทีนี้มาประมาณอีกประมาณปีที่แล้วนะครับพระอาจารย์ผมผมก็ลองมานั่งอีกเหมือนผมจะเห็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นนิมิตหรือเปล่าเห็นตัวเองนั่งนั่งอยู่ปากท้ำนะครับพระอาจารย์ นั่นแหละก็นิมิต แ, แต่เราเราไม่ได้นั่งอยู่ปากถ้ามไม่ใช่เลยเวลานอนนั่งอ่ะครับคุนั่งในห้องครับแล้วนั่งในห้องถ้าไปเห็นว่าอยู่นั่งอยู่ในปากถ้าก็แสดงว่าจิตเราจินตนาการไปแล้วอุปทานใช่ไหมครับก็คิดไปไงปรุงไปปรุงแต่งไปสร้างภาพขึ้นมาก็ให้รู้ว่าเรากําลังไม่ได้ภาวนาแล้วถ้าเราภาวนามันจะไม่เกิดเราไม่ได้พุโทโธแล้วเราไม่ได้ดูลมแล้วงั้นกลับมาที่ลมกลับมาแล้ว ภาวนาพุโทโธต่อไปแล้วมันก็จะหายไปคือผมฝันเห็นหลวงตามหาบัว น, นะครับได้ฝันเห็นใครก็ได้ก็แค่เป็นความฝันดังนั้นฝันว่าเป็นมหาเศรษฐีก็ได้แต่มันไม่ได้เป็นความจริงอะ่ะในใ น, ในความฝันผมเป็นเนนนะครับเป็นเนนแล้วหลวงตาท่านเรียกเข้าไปหาพอเข้าไปแล้วหลวงตาบอกว่าให้กรมลงระแบีมือมาท่านหยิบเอาคำข้าวก้นบาทมาวางเส่มือผมนะครับ ถ้าท่านสั่งไว้ว่าที่ทํามาแล้วทําดีแล้วแต่ว่ายังดีไม่พอให้ปฏิบัติต่อไปอย่าหยุดให้ทําต่อไปอืแล้วข้าวที่อยู่ในมือนี้มันมันพอกคูนขึ้นมานะครับอาจารย์ อ, อก็เป็นความฝันไม่มีพระไม่มีนัยยะอะไรมีตรงที่ว่าท่านบอกให้ปฏิบัติต่อไปเท่า น, นั้นก็ปฏิบัติต่อไปครับแต่ปฏิบัติให้ถูกเท่าที่ฟังมานี้ปฏิบัติไม่ถูกครับต้องถูกต้องมีพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆ หรือดูลมไปเรื่อยๆต้องมีอะไรคอยผูกใจดึงใจไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมาสร้างมิมิตต่างๆให้เราเห็นเน่ถ้าเราพูดโทรไปด้วยแล้วเราลึกภาพพระพุทธเจ้าไปด้วยได้ไหมครับอาจารย์ก็ได้ถ้าอยากจะนึกแต่ถ้าไม่ไม่นึกได้จะดีกว่าถ้าจะนึกก็ไม่ต้องพูดโทรครับเอาอย่างเดียวดีกว่าจิตมันจะได้นิ่งครับ อ, อีกเรื่องแามแค้นี้แล้วครับอาจารย์ได้สาธุ คำถามจากอาจารย์งามนะคะสัจจะบารมีในความหมายทางพระพุทธศาสนามีความหมายที่แท้จริงอย่างไรคะก็แน่วแน่มั่นคงต่อคํามั่นสัญญาที่เราสร้างขึ้นมาเช่นเราบอกว่าจะนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงเราก็ต้องนั่งให้ได้ครึ่งชั่วโมงถ้าเรานั่งได้ยี่สบนาทีแล้วเราเลิกนี่แสดงว่าเราไม่มีสัจจะคําถามจากคุณอุไรวัน สามีประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตผ่านมา11วันแล้วเขารักลูกรักเมียมากอยากถามว่าจิตเขาจะเป็นอย่างไรคะเพราะกระฐานหันมาก อ, อ๋อเขาก็ไปตามวาลของบุญของบาปที่ยาพาเข้าไปอยู่ที่ว่าบุญกับบาปตัวไหนจะมีกําลังมากกว่าตัวที่มีกําลังมากกว่าก็จะดึงใจไปรับผลนั้นถ้าบุญมากกว่าก็ไปรับผลบุญในสวรรค์ ถ้าบาปมีกําลังมากกว่าก็ไปรับผลบุญในอบายในช่องใดช่องหนึ่งมีอยู่สี่ช่องช่องเดลฉานช่องเปรดช่องอสุรกายช่องนรกคําถามจากคุณณพลการปฏิบัติต้องถึงขั้นไหนครับถึงจะหายสงสัยในเรื่องการปฏิบัติคือตั้งแต่ชั้นพรมหรือว่าต้องได้โสดาปฏิผลครับถึงจะหายสงสัย ต, ต้องโต้องโดาปฏิผลนะจะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แต่ไม่ได้ไม่สงสัยในการปฏิบัติว่าเป็นเป็นการปฏิบัติที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ผลได้อย่างแน่นอนคำถามสกุลพัทธรกิจความฟุ้งซ่านกับความคิดที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไหมครับก็ความคิดนี่แที่ทําถ้าคิดมากๆก็ฟุ้งซ่านคิดจนนอนไม่หลับนี่ก็เรียกว่าฟุ้งซ่านแต่คิดแบบปกติ พอจะหยุดคิดก็หยุดได้ีก็ไม่เรียกว่าฟุ้งซ่านคำถามจากคุณพลเคยเจอตำราตราเล่มหนึ่งว่าหากปฏิบัติตามปฏิจจสมุติบาท ต, ตามที่พระพุทธเจ้าสอนจะสามารถปฏิบัติเพียงเจ็ดปีจึงได้บรรลุนิพพานจริงไหมครับบางกระแสว่าถ้าอินทรียังอ่อนอาจจะทำให้เสียจริตเป็นบ้าได้ คือการปฏิบัติก็เหมือนกับการศึกษาในมหาลัยเขาก็มีหลักสูตรของเขาปัญญาใีก็สี่ปัญญาโทก็เพิ่มเป็นอีกสองปญญาเอกก็เพิ่มอีกห้าทีผู้ปฏิบัติผู้ไปศึกษานี่บางคนก็จบบางคนก็ไม่จบเะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่หลักสูตรมันอยู่ที่ผู้ศึกษาผู้ที่ศึกษาจะเป็นบ้าอยู่แล้วไป ไปปฏิบัติมันก็เป็นบ้าได้ผู้ที่เขาไม่เป็นบ้าผู้ที่เข้าบรรลุก็มีเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่หลักสูตรมันอยู่ที่ผู้ปฏิบัติการการที่พระภิกษุเป็นบ้าชั่วขณะเป็นอย่างไรครับและในขณะที่เป็นบ้าเกิดไปทางความผิดพระวินัยขั้นสูงสุดหากพิสูจน์ได้ว่าบ้าชั่วขณะจริงจะเป็นเหตุให้ต้องสึกหรือเปล่าครับ และอาการบ้าชั่วขณะแก้ไขได้หรือไม่ครับเอออันนี้ก็มันเป็นเรื่องของพระภิกษุก็ปล่อยท่านไปเราไม่ได้เป็นภิกษุเราก็ไม่ต้องไปกังวลถ้าเราเป็นภิกษุก็ไปถามเจ้าอาวาสที่เราอยู่ด้วยก็แล้วกันว่าท่านจะตอบอย่างไรคําถามจากคุณเลิฟดัมมาการที่เราร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระที่ทางวัดจัดขึ้นจะได้รับอนิสงฆ์เช่นไรคะก็ได้บุญจากการทําทานไง ก็สวายเงินไปก็ไปซื้อปัจจัยซื้ออัฐาบริขารก็เป็นวัตถุทานก็เหมือนกับทำบุญทั่วๆไปประโยชน์คือก็อาจจะช่วยส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพราะถ้าเป็นการบวชที่แท้จริงก็จะทําให้ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเป็นการบวชชั่วครั้งชั่วคราวมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมากกับพระพุทธศาสนาถ้าบวชแล้วศึก ก็เหมือนกับไม่บวชนถ้าบวชแล้วไม่ศึกบวชแล้วศึกษาแล้วปฏิบัติแล้วบรรลุเป็นครูบาอาจารย์อย่างเป็นหลวงปู่มั่นอย่างเนี้ยก็จะเป็นประโยชน์มากเพราะเป็นมีอาจารย์เพียงองค์เดียวนี่สามารถผลิตอาจารย์ต่างๆขึ้นมาได้เป็นหลายสิบหลายร้อยองค์ด้วยกันเนี่ยพระครูบาอาจารย์ต่างๆในสายวัดป่าเนี่ยก็มาจากหลวงปู่มั่นทั้งนั้นถ้าไม่มีหลวงปู่มั่นองค์เดียวก็จะไม่มีครูบาอาจารย์เหล่านี้ปรากฏขึ้นมาได้ ดัการบวชต้องเป็นการบวชจริงบวชแล้วศึกษาแล้วปฏิบัติแล้วบรรลุแล้วก็อยู่เป็นครูบาอาจารย์เผยแผ่สั่งสอนทําให้แก่ผู้อื่นต่อไปถ้าบวชแบบนี้การที่เราได้ร่วมบุญการบวชแบบนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนาที่จะย้อนกลับมาเป็นประโยชน์กับพวกเราอีกตามลําดับคําถามสกุลถจรศักด์จริงหรือไม่ครับถ้าชาตินี้ไม่ได้ทําบุญด้วยน้ําเปล่า แล้วชาติหน้าจะไม่มีน้ํากินถ้าไปเกิดในทะเลทรายมันก็ไม่มีน้ํากิน <c oughs> <c oughs> มันไม่หรอกการทําบุญนี้มันก็จะเป็นตัวที่ทําให้เรามีสิ่งต่างๆที่เราต้องการถ้าเราไปเกิดในที่ที่มันมีถ้าไปเกิดในที่ไม่มีมันก็ไม่มีเหมือนกันถึงแม้จะทําบุญมามากน้อยแค่ไหนถ้าไปเกิดในกลางทะเลทรายมันมันก็ไม่มีน้ําให้กินเหมือนกัน คำถามจากคุณเจ้าฮะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับได้ตั้งใจว่าหลังเกษียณจะเข้าวัดตลอดเพื่อบวชเพื่อหลุดพ้นจากสังวัฒสังสารแต่เมื่อสักครู่พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมว่าไม่ต้องเป็นนักบวชไม่มีเพศเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถบรรลุธรรมได้อยากเรียนถามว่าความตั้งใจตอนแรกควรยึดไว้เช่นเดิมหรือถือศีลแปดแค่อย่างเดียวครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสแล้วเนี่ย ตอนต้นอยากจะไปบวชพอมาฟังว่าไม่ต้องบวชก็ได้ก็เลยถ้าคิดแบบนี้ก็ไม่ถูกแล้วเพราะการไปบวชเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดเพราะเป็นสถานภาพที่เอื้อต่อการบรรลุมากที่สุดเหมือนเปรียบเหมือนกับการรักษาตัวที่บ้านกับรักษาตัวที่โรงพยาบาลถ้าถือศีลแปดก็เหมือนกับรักษาตัวที่บ้านถ้าไปบวชก็เหมือนกับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล โอกาสที่จะหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บที่โรงพยาบาลมันย่อมมีมากกว่าอย่างกว่าอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นอย่าไปเปลี่ยนใจเลยถ้าตั้งใจจะบวชก็ไปบวชเถอะนอกจากว่ามันมีนเหตุสุดวิสัยไปบวชไม่ได้ก็อย่าไปคิดว่าไปนิพพานไม่ได้เพราะไม่ได้บวชก็แล้วกันถ้ามีเหตุสุดวิสัยไปบวชไม่ได้เช่นพระเขาเขาไม่รับเราบวชเพราะเราอาจจะมีมีข้ออะไรที่ ไม่ไม่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เขาจะบวชให้ได้เช่นเราเกิดไปเป็นตุศขึ้นมาอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าคําบวชให้ไม่ได้ต่างนี้ก็ต้องอยู่บ้านถือศีลแปดไปแล้วปฏิบัติไปคำถามของบางคนที่ไม่ได้ถามนะคะไม่ชัดเจนช่วยกรุณาถามเข้ามาใหม่นะคะคำถามจากคุณสินตึงการที่เรามองเห็นทุกอย่างเป็นอนัตตาแต่ยังไม่ถึงจิตแท้สามารถทาได้ไหมครับ เห็นได้แต่ยังปล่อยไม่ได้เห็นภรรยาไม่ใช่ของเราแต่ใครมาคุยกับภรรยาหน่อยก็โกรธแล้วอย่างนี้ก็สแสดงว่ายังไม่เห็นถึงใจเห็นเพียงแต่เห็นเพียงแต่สัญญาคือได้ยินได้ฟังมาว่าเขาไม่ได้เป็นของเราแต่ในใจเราเราปลูกฝังอยู่ในใจว่าเป็นของเราอยู่แล้วเราต้องมาแก้ที่ตัวที่มันฝังอยู่ในใจว่าไม่ใช่เป็นของเรา เราจะรู้ได้ไงว่าใจเราไม่ได้ถือว่าเป็นของเราแล้วก็คือถ้าใครก็มาขอนอนด้วยเราก็ไม่ไปว่าอะไรก็อยากจะไปนอนกับแฟนเขาก็ปล่อยเขาไปานี่แสดงว่าเราถือว่าเราไม่เราถือว่าเขาไม่ได้เป็นของเราแล้วคำถามจากคุณเจดเวลานั่งสมาธิพอมีอะไรมาดังใกล้ๆแม้แต่จะเสียงเบาก็ตามมักจะตกใจครับก็ไม่เป็นไรรู้ว่าตกใจแล้วก็ ภาวนาต่อไปเหมือนขับรถไปบางทีก็ไปเจอหลุมมันก็รถเกิ์กระเด้งลงไปหน่อยแล้วก็ขับต่อไปตอนนี้คำถามหมดนะคะ<ฮ>มีมีผู้เขียนคอมเมนต์มาค่ะว่าหลังจากที่ฟังพระอาจารย์แล้วจะไม่ดื่มกาแฟแล้วค่ะจะได้<ฮ>ไม่ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ชื่ออะไรรายงานตัวหน่อยได้ไหมบอกบอกเฉยๆไม่เชื่อนะ เวลาพูดมันพูดได้นะเวลาถึงเวลาหิวกาแฟนี่มันมันจะลืมคําพูดนี้ไหมนะก็ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยก็มีความตั้งใจถึงแม้ว่าจะไม่สําเร็จในรอบรอบแรกก็ไม่เป็นไรรอบแรกอาจจะถูกเขานอกเกาก็ลุกขึ้นมารอบที่สองก็สู้ต่อไปถ้าเราสู้ไม่ถอยไม่ช้าก็เร็วเราก็จะเลิกดื่มกาแฟได้คําถามจะคุณสอนเทส ทำไมเวลาพระเทศหรือแสดงธรรมจบแล้วมักให้พรครับเราก็เป็นธรรมเนียมเท่านั้นเองเหมือนกับเวลาที่เราไปไหนมาไหนเจอกันแล้วก็ทักทายถามสวัสดีค่ะสวัสดีครับเวลาเรากลับบ้านเราก็บายบายคุ้ดบายอันนี้ก็เหมือนกันเวลาพระแสดงธรรมเสร็จก็ถือโอกาสอนุโมทนาเลยเพราะว่าญาติโยมก็มาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มาถวายข้าวของ ต่างๆก็เป็นธรรมเนียมที่พระจะแสดงความยินดีตอบแทนในน้ำใจของญาติโยมที่ได้มามีน้ำใจต่อวัดวาอารามเท่าานั้นเองคำถามจากคุณแจ๊กการเข้าถึงดวงจิตวิญญาณของตัวเราที่แท้จริงเป็นอย่างไรครับหมายถึงเราสามารถควบคุมอารมณ์ดับ ความต้องการดับความต้องการที่เข้ามาเพิ่มทําให้เราอยากได้อยากมีใช่ไหมครับใช่การภาวนานี่แหละพุโทโธนี่แหละที่จะดึงใจเราให้กลับเข้าข้างในเพื่อที่เราจะได้มาควบคุมใจของเราได้ตอนนี้ใจของเราไปอยู่ข้างนอกไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสไปอยู่ที่ลาบยศสรรเสริญเราไปมัวคอยค ว, ควบคุมสิ่งเหล่านี้อยู่เราเลยไม่สามารถควบคุมใจของเราเองได้ แต่ถ้าผู้ปฏิบัติสมาธิได้จิตเข้าข้างในได้จเจริญปัญญาได้ท่านจะสามารถสามารถควบคุมใจได้ควบคุมโลภโกรดหลงควบคุมอารมณ์ต่างๆได้คำถามจากคุณสมศักดิ์ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายภาวนาจะช่วยอะไรเขาได้บ้างครับช่วยบรรเทาความทรมานใจถ้าใจสงบแล้วจะเหมือนกับไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเลย ความเจ็บของร่างกายนี้ก็จะเป็นความเจ็บส่วนย่อยความเจ็บส่วนใหญ่นี้อยู่ที่ใจเมื่อเราภาวนาแล้วเราก็จะสามารถกาจัดความเจ็บความทรมานใจส่วนใหญ่ได้หมดความเจ็บท้องทางร่างกายที่เป็นส่วนย่อยก็เลยไม่เป็นปัญหาคำถามจากคุณอภิพรเคยไปภาวนาที่วัดจิตสงบดีเพราะว่าพุทธอยู่กับพุโทโธตลอดเวลาแต่ระยะหลังไม่มีเวลาเลยที่จะไปอยู่วัด จิตก็ไม่นิ่งสงบค่ะต้องปฏิบัติอย่างไรคะก็หาเวลาไปปฏิบัตินีเออ่เวลามันมีแต่เราไม่เอาไปใชปฏิบัติเราไปใช้อย่างอื่นเราต้องดึงมันเอากลับมาใช้กับการปฏิบัติงานไหนสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นตัดมันทิ้งไปงานภาวนานี้สสำคัญยิ่งกว่างานต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะคุณประโยชน์ที่ได้รับจากการภาวนานี้มัน มีคนประโยชน์มากมายกายกองยิ่งกว่าประโยชน์ต่างๆที่เราจะได้รับจากงานต่างๆที่เราทําอยู่ขณะ น, นี้คําถามจะคุณจะเรเวนกรรมมีจริงหรือไม่คะหรืออยู่ทุอยู่ที่ตัวทำเว่นก็คือการจองเว่นกันนั่นเองเราไปทำร้ายใครเขาเขาก็จะไม่พอใจเขาก็จะกลับมาทําร้ายเราถ้าเราไม่ไปทําร้ายเขาเขาก็ไม่มาทําร้ายเรา พระเจ้าจึงบอกว่าเวนไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวนเวนย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวนหมดได้ยังอีกสักสองข้ออคําถามจากคุณด่านในระหว่างการเจริญปัญญาช่วงวิปัสนาเราจะแยกสัญญาสังขารขันออกจากสัญญาธาตุได้อย่างไรคะ อ, อ๋อเราไม่แยกหรอกตอนที่เราพิจารณาเราก็ใช้สัญญาสังขารพิจารณามันจะเป็นปัญญาก็ต่อเมื่อเวลาเราเจอกิเลส กิเลสบอกให้ดื่มกาแฟเราบอกไม่ดื่ม่ะมันก็จะเป็นปัญญาถ้าเราหยุดกิเลสได้ก็แสดงว่าเป็นปัญญาแต่ตอนที่เมื่อกี้ร้วปากว่าจะหยุดดื่มกาแฟนั้นมันยังเป็นสัญญาสังขารอยูอ่ต้องรอเวลาที่เจอเจอกิเลสความอยากดื่มกาแฟแล้วดูซิว่าเราจะหยุดมันได้หรือเปล่าถ้าหยุดมันได้ก็เป็นปัญญาคาถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อยากให้หลวงพ่อช่วยอธิบายคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านหนึ่งที่สอนลูกศิษย์ในบริบทที่เจอกับความทุกข์ยากลำบากในระหว่างการปฏิบตัติเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจว่าเมื่อไหร่ที่รู้สึกโกรธหรือสงสารตัวเองนั่นแหละเป็นโอกาสเหมาะที่จะเข้าใจเรื่องจิตของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่ากิเลส ท, ทั้งหลายเป็นครูของเราหมายความว่าอย่างไรคะและจะนอบเข้ามาพิจารณากับใจเราอย่างไร อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามอาจารย์ที่เขาสอนดีกว่าเราไม่อยากที่จะไปแปลความหมายของคนอื่นข้อที่สองหนูมีปัญหาความน้อยเนื้อต่ำใจที่ถูกครูบาอาจารย์ผลักใสปฏิเสธไม่สนใจใยดีเหตุเพราะเราแสดงกิริยาไม่ดีกับท่านก่อนแต่บ่อยครั้งก็ยังยึดเอาคําสั่งสอนของท่านมาเป็นที่พึ่งเป็น เป็นแนวการปฏิบัติจิตใจและชัยยึดเหนี่ยวจิตใจให้เดินเส้นทางสายนี้แต่ยังติดปัญหาที่ตัวบุคคลแสดงว่านี่คือปัญหาของหนูที่ต้องแก้ไขจนใจหนูสามารถวางเฉยกับความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจว่าครูบาว่าครูบาอาจารย์ว่าท่านจะรู้สึกดีหรือไม่ดีกับเราแค่ยึดคําสอนของท่านมาสอนใจก็พอคิดแบบนี้ถูกไหมคะหรือจะมีวิธีวางใจอย่างไรจากปัญหานี้ น้านแหะก็ไม่ควรที่จะไปยึดติดในตัวบุคคลอย่าไปหวังอะไรจากบุคคลอื่นให้เอาคำสอนที่เราได้ยินมาปฏิบัติเพื่อกำจัดปัญหาต่างๆของเราส่วนคนอื่นเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับเราเราก็อย่าไปสนใจอย่าไปมีอารมณ์เกิดขึ้นอาจจะเป็นอุบายของท่านสั่งสอนเราก็ได้งัน อย่าไปถือเรื่องบุคคลเป็นหลักให้ถือเรื่องคําสอนเป็นหลัก บ, บุคคลก็มีส่วนเพียงแต่ว่าเราไม่ยึดไม่ติดถ้า ม, ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ก็มีไปถ้ามีไม่ได้ก็แล้วไปก็ถือว่าไม่ได้เป็นคู่คู่กรรมกันมาก็แล้วกันหมดแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิตพิจารณาไปปฏิบัต